อยู่กับช่วงเวลาของรายการส่วนอักษรนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันพฤอัสบดีค่ะมีดิฉันอัญชิสาและคุณสัชิธรกวงคดีโลกนะคะที่จะมาเปิดเพลงบรรเลงเพื่อสลับกับเนื้อหาหนังสือที่เป็นปรัชญาของพระพุทธศาสนานะคะมาที่ผลงานนวนิยายอิงหลักธรรมใต้ร่มกาสาวพัฒ์ของท่านอาจารย์สุชีพปัญญุภาพค่ะ เล่มนี้ที่ถืออยู่ในมือนี้นะคะก็เป็นการจัดพิมพ์เป็นที่ะระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพที่เมนวัดเทพสรินทาวาส27สิงหาคมพุทธศักราช2543ค่ะมีท่านพระพิสุทิ์ที่วัดปทุมวนารามท่านก็กรุณาส่งมาให้นะคะด้วยความเมตตากับรายการ เราอ่านกันถึงบทที่สี่ชีวิตใหม่ขององค์คุลิมาณที่บวชเป็นพระพิสุแล้วนะคะทีนี้ก็อ่านกันต่อในบทที่สี่เพราะว่าวันนั้นอ่านไม่จบนะคะในฉันขอย้อนไปที่ตรงตรงที่พิสุทั้งหลายประชุมพร้อมกันแล้วกันนะคะครั้นเวลาค่าเมื่อพิสุทั้งหลายประชุมพร้อมกันณนะธรรมสภาแล้ว พระผู้มีพระภาคเสด็จจากพระคันธกูดีมาประทับณพุทธาอาจก่อนที่จะตรัสเทศนาสอนพิสุบริษัทพระมหากัสสปะซึ่งอยู่ณที่นั้นก่อนแล้วก็เข้ามาถวายอภิวาทและนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กลับทูลว่าพระเจ้าค่าอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พิสุตั้งอยู่ในพระอรหันตผลมากขึ้นและน้อยลงดูก่อนกัสสปะ เมื่อสัตว์เสื่อมลงและพระสัตยธรรมกําลังอันตรทานพิสุผู้ตั้งอยู่ในพระอรหันตผลก็น้อยลงพระสัตยธรรมจะไม่อันตรทานตราเวลาที่สัตยธรรมปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกดูก่อนกัสปะในการใดสัตยธรรมปลอมเกิดขึ้นในโลกในการนั้นพระสัตยธรรมย่อมอันตรทานไปเปรียบเหมือนเงินทองที่บริสุทธิ์ จะไม่อันตรทานตราบเวลาที่เงินทองปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกในการใดเงินทองปลอมเกิดขึ้นในโลกในการนั้นเงินทองที่บริสุทธิ์ย่อมอันตรธานดูก่อนกัษปะาธาตุดินหาทำพระสัจธรรมให้อันตรธานได้ไม่าธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมก็ทําพระสัจธรรมให้อันตรธานไม่ได้เช่นเดียวกันโดยที่แท้ ผู้ที่จะทำพระสัทธรรมให้อันตรทานนั้นคือโมคะบุรุษวงเล็บบุรุษเปล่าซึ่งเกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้แหละดูก่อนกัสปะเหตุที่พระสัทธรรมเลื่อนอันตรทานมีอยู่คือพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่เคารพในการศึกษาและไม่เคารพในสมาธิเหตุที่ทำให้พระสัตธรรมตั้งมั่นไม่เลอะเลือนอันตรธานพึงทราบโดยในตรงข้ามนั้นแหลครั้นแล้วได้ตรัสกับพิสุทั้งหลายต่อไปปรบถึงเรื่องลาบสการะและชื่อเสียงว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายลาบสการะชื่อเสียงเป็นของร้ายกาศ และทำอันตรายได้พวกเธอพึงสำเหนียดอย่าให้ลาบสการะชื่อเสียงครอบงำจิตตั้งอยู่ได้เลยพิสุทั้งหลายเหมือนอย่างว่านอนที่กินอุจระมีอุจระเต็มท้องและมีอุจระกองใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้ามันย่อมดูหมิ่นน้อนตัวอื่นซึ่งอดอยากว่าไม่เหมือนมันอย่างนี้อย่างนี้ฉันใด พิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแลอันลาบสการะชื่อเสียงครอบงำรัดปรึงจิตแล้วเข้าสู่คาม m นิคมเพื่อบินทบทัตไปฉันในที่นั้นๆอิ่มน้ำตาม ต, ามต้องการทั้งอย่างได้รับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งอีกเธอบริบูรณ์ด้วยบินทบทัตกลับสู่วัดก็กล่าวอวดในท่ำกลางหมู่พิสุถึงการที่ตนได้ปัจจัยสี่ ดูหมิ่นผู้อื่นว่าเป็นผู้มีบุญน้อยมีศักดิน้อยข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่โมฆะบุรุษนั้นสิ้นการลนานพิสุทั้งหลายเธอได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งในเวลาใกล้รุ่งราตรีหรือไม่สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นและพิสุทั้งหลายเวลามันเป็นโรคชนิดหนึ่งชื่ออุกันน ก, กะ ก็คือโรคเรื้อนแห่งสุนัขนะคะอธิบายไว้ข้างล่างซึ่งเกิดในฤดูหนาวเมื่อโรคนี้เกิดขึ้นแล้วขนของมันล่วงหลุดจากตัวไปสิ้นตัวของมันซึ่งปราศจากขนนั้นเป็นแผลพุขึ้นโดยรอบแผลนั้นๆครั้นถูกลมกระ ก, ก็กำเริบหนักมันวิ่งไปบนบกก็ไม่รู้สึกยินดีหรือจะไปที่โคนไม้ไปในที่แจ้งก็ไม่รู้สึกยินดี จะยืนเดินนั่งนอนในที่ใดๆก็ถึงความวิบัติในที่นั้นๆนี้ฉันใดพิสุท์ทั้งหลายพิสุธ์บางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นอันลาบส ก, การะชื่อเสียงครอบงำรัตรึงจิตแล้วไปสู่สุญยาคารก็ไม่รู้สึกยินดีไปที่โคนไม้หรือไปที่แจ้งก็ไม่รู้สึกยินดีจะยืนเดินนั่งนอนในที่ใดๆ ก็ถึงความวิบัติในที่นั้นๆเพราะเหตุนั่นแหลพวกเธอพึงสำเนียกอย่าให้ลาบสการะชื่อเสียงครอบงำจิตตั้งอยู่ได้วันรุ่งขึ้นพระองคุริมาได้เยี่ยมพิสุปูลมัชชิมะรูปนั้นถึงกุฏิที่พำนักหลังจากได้ถวายนามัสการและนั่งลงประสายกัน ด้วยสาระนิยักกะกระถาพอสมควรแล้วพระองคุริมานจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญสมัยที่ข้าพเจ้าพึ่งมานาเชเตตะวนารามนี้เวลาไปบินทบาตลำบากยิ่งนักคือนอกจากตนเองมิได้พิสาแล้วพิสุใดร่วมไปด้วยก็พลอยมิได้พิสาเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์ทั้งหลายเห็นข้าพเจ้าย่อมพากันตกใจกลัวและวิ่งหนี หรือที่สำคัญว่าข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตคงไม่ประทุษร้ายก็ด่าว่าขับไล่มีให้ใกล้ประตูเรือนท่านผู้เจริญคำปลอบใจสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่ว่าอดทนหน่อยองคุลิมานความเดือดร้อนที่เธอได้รับนี้ย่อมเปรียบกันไม่ได้เลยกับความเดือดร้อนที่เธอเคยทำให้แก่คนอื่นคนอดทนชื่อว่าบูชาเราผู้ชนะ ด้วยการบูชาอันเยี่ยมดังนี้พอเป็นเครื่องอยัางใจของข้าพเจ้าให้สงบกระงับได้ครั้นสมัยที่ทรงแนะนำให้ข้าพเจ้าตั้งสัจจาทิฐานเพื่อความสวัสดีแห่งหญิงมีคันแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ค่อยคลายความหวาดกลัวข้าพเจ้าลงบ้างแต่ผู้ที่ด่าว่าขับไล่ยังคงมีอยู่เสมอ ีิสุนั้นตอบว่าพุ่มหรือไม่พอใจอันใดเกิดขึ้นจงปล่อยวางให้เป็นกองกองไว้นะที่นั้นอย่านำมาเก็บไว้แตกไว้เขาด่าว่าเราบนบกจงกองคำด่าว่านั้นไว้บนบกอย่านำติด ไปในน้ําด้วยเขาด่าว่าเราในน้ําจงกองคําด่าว่านั้นไว้ในน้ําอย่านําติดมาบนบกหรือเขาด่าว่าในเมืองจงกองไว้ในเมืองอย่านําติดมาจนถึงเชตะวานารามนี้ผู้ใดสรรเสริญเยนยอรหรือบูชาเราได้ยรยาบสการะจงนึกว่าลาบสการะและชื่อเสียงนั้นเป็นผลของความดีหรือเกิดเพราะผู้อื่นสําคัญว่าเราดี แต่ผลของความดีนี้แลย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงติดอยู่ในสิ่งนั้นจนกลายเป็นมัวเมาประมาทโดยที่แท้ผู้ซึ่งถูกว่าถูกด่าหรือประสบความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพึงปรารถนาความเสื่อมนั้นเป็นเหตุควรสังเวชสลดจิตรีบทำความดีให้มากขึ้นเพื่อพ้นจากความเสื่อมนั้ น, น, น หรือว่าได้ประสบอารมณ์ที่พึงใจอันเป็นผลของความดีแล้วพึงอภิรมในความดีนั้นและประกอบความดีให้ยิ่งขึ้นไปเป็นการอาศัยผลของความดีพ่อพูนความดีไม่ใช่อาศัยผลของความดีแล้วทำลายตัวเองด้วยการทำความชั่วผู้รู้จักถือเอาประโยชน์ทั้งจากอิทธารมและอนิธารมได้เช่นนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่นชมในภาสิทธิ์ของท่านท่านเป็นกันลยาณมิตรที่แนะนําให้ข้าพเจ้าผู้มาใหม่ในธรรมวินัยนี้ได้ตระหนักในคุณแห่งพระศาสนาท่านผู้เจริญแม้ฉนันข้าพเจ้าจะได้ทราบประวัติอันพึงสนใจของท่านบ้างถ้าไม่เป็นภาระหนักขอท่านจงอาศัยความอนุเคราะห์ เล่าประวัติของท่านณโอกาสนี้ดูก่อนพระดาถ้าท่านปรารถนาทราบก็จะเป็นรายมีข้าพเจ้าเป็นผู้มีประวัติอันควรสังเวชผู้หนึ่งแล้วพิสุนั้นก็เริ่มเล่าว่า มาต่อกันที่บทที่ห้านะคะที่ชื่อว่าเด็กหนุ่มแห่งตระกูลเศรษฐีค่ะบทที่ห้านี้ก็ดูแล้วก็ไม่ยาวมากแต่ทีฉันก็จะดูเวลาด้วยนะคะว่าที่ฉังอยากจะให้บทหนึ่งเนี้ยจบแค่วันหนึ่งนะคะไม่อยากให้แบบเออมาอ่านต่อกันเชื่อมกันเดี๋ยวลองดูจะพยายามละกันนะคะ ก่อนพระรดาข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์นับจํานวนโกรในเมืองสาวัตถีนี้เองท่านคงจะแปลกใจในข้อที่ว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีแต่กลับบอกแก่ท่านว่าเป็นผู้มีประวัติอันควรสงสารสังเวชถ้าท่านได้ทราบความเป็นไปที่แท้จริงของบรรดาสังคตาธรรมคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายแล้วท่านจะเข้าใจได้เองว่าความเป็นไปต่างๆอันใดที่มนุษย์ และสัตว์เห็นว่าแปลกหรือไม่แปลกและดีหรือเลวความเป็นไปทั้งหมดนั้นแท้จริงเป็นสิ่งที่มีประจักษ์สำหรับสัตว์โลกความเกิดเป็นภัยใหญ่หลวงผู้ยังไม่ข้ามพ้นความเกิดก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องแก่และตายสุขบ้างทุกบ้างหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ตลอดไป ดูก่อนพระรดาข้าพเจ้าเป็นบุตรคนเดียวที่รักยิ่งของบิดามารดาใครๆพากันเรียกข้าพเจ้าว่านันทิยะแปลว่าผู้เป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าหลายคนเคยชมข้าพเจ้าต่อหน้ามารดาบิดาว่านันทิยะเป็นเด็กหนุ่มที่สวยมีตา ง, งามและฉลาดประธานโทษเถอะผู้มีอายุ แม้ข้าพเจ้าเองเมื่ออยู่ในวัยรุ่นก็สนใจในการแต่งตัวและการศึกษามากอยู่เหมือนกันที่อยู่ของบิดามารดาข้าพเจ้าใหญ่โตงดงามจนพ้นจากฐานะที่จะมีใครเรียกว่าบ้านหรือเรือนเพราะคนทั้งหลายเมื่อพูดถึงที่อยู่นั้นก็กล่าวว่าปราสาทของเศรษฐีบิดานันทยะเย็นวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังยืนอยู่นะพื้นชั้นบนแห่งปราสาท เพลนมองนาข้าวสาลีอันเหลืองอร่ามเป็นพืชไตตามฝั่งแม่น้ำอาจิราวดีทั้งสองฝากกระแสะน้ำซึ่งไหลเอื่อยไปทางทิศทักษิณต้องแสงแดดยามสายยันเป็นประกายจับตาใกล้เข้ามาทางเมืองสาวัตถีจะลาเห็นเพตราใหญ่น้อยสัญจร อ, อยู่ขวักไขมีโรงบ้านร้านตลาดเรียงรายตามริมฝั่งน้ำถีกันเข้ามาโดยลำดับ ซึ่งสังเกตได้ว่าแม้เมืองสาวถีจะไม่ใช่เมือง่าชายทะเลหรือปากอ่าวแต่ก็มีเรือเดินไปมาค้าขายติดต่อกันกับเมืองเหล่านั้นได้ตลอดตีเมื่อมองไปที่ท่าน้ำจะเห็นบรุษสตรีลงสนานกายกันสับสนบ้างก็นำน้ำไปด้วยภาชนะทุ่นเหนือศีรษะรัลละสายตาจากที่นั้นมองมาในตัวเมือง ก็เห็นต้นไม้สลับกับบ้านเรือนและปราสาทมีถนนน้อยใหญ่อันคับข้างไปด้วยผู้คนและยวดยานที่เทียมด้วยมา้ามีเทวสถานทั้งที่สร้างใหม่และเก่าแก่ประหลักหักพังเหลือแต่ซากกับซุ้มศิลามีไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมอยู่ครึ้มดูน่าวังเวงกลุ่มควันอันพุ่งขึ้นจากหมู่บ้านเพราะการหุงหาอาหารมีสีขาวสะอาดค่อยๆเลื่อนลอยแล้วจางหายไป ทำให้ข้าพเจ้ารำพึงถึงชีวิตของตนว่าจะลงสุดท้ายเหมือนอย่างควันไฟนั้นพอนึกถึงว่าทุกคนจะต้องตายและข้าพเจ้าก็รวมอยู่ในทุกคนเหล่านั้นด้วยข้าพเจ้าต้องหลับตาถอนใจเส้นหน่อยหนึง่งแล้วนึกถามตนเองว่าทําไมหนอะคนเราจึงต้องตายจะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ได้หรือญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของข้าพเจ้าเคยพูดว่า พระพุทธเจ้าท่านว่าการที่คนต้องตายนั้นเพราะมีความเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่อยากตายก็อย่ากเกิดแต่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามได้อย่างไรในข้อที่ท่านว่าอยากเกิดเพราะเมื่อข้าพเจ้าหรือใครๆพากันรู้เรื่องว่าตนเป็นมนุษย์และจำความได้ก็ปรากฏว่าเราเกิดมาแล้วทั้งนั้นหรือท่านจะมีอธิบายของท่านอย่างไรอีกก็ไม่ทราบแต่ข้าพเจ้าคนนึงละ ที่ไม่ชอบความตายเอาจริงๆนั้นมองใกล้เข้ามายัางถนนที่ผ่านข้างประสาทของข้าพเจ้าตรงไปยังประตูเมืองจนกระทั่งถึงเชตวานารามก็ลาเห็นมหาชนถือเครื่องบูชามีดอกไม้ของหอมและพวงมาลัยเป็นต้นบ้างเดินเดี่ยวบ้างเดินเป็นหมู่สนทนากันอย่างบันเทิงจิตมุ่งตรงไปณนะพุทธนิวาสถานนั้น ข้าพเจ้าเคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้แทบทุกเวลายเย็นนับครั้งไม่ถ้วนแต่อัศจรรย์ยิ่งกว่าทำไมวันนี้จึงเกิดความเลื่อมใสอยากจะไปกับเขาบ้างคนหนุ่มอย่างข้าพเจ้าจะไปฟังพระธรรมเทศนาคงจะมีคนพากันมองและรู้สึกแปลกแต่จะประหลาดอะไรในเมื่อข้าพเจ้าเคยได้ฟังมาว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้เหมาะแก่คนชราหรือคนกลางคนเท่านั้นย่อมเหมาะแก่คนทุกเทศทุกวัยไม่เลือกหน้าคิดเช่นนั้นแล้วก็รีบลงมาอย่างชั้นล่างสั่งคนใช้ให้เตรียมดอกไม้ของหอมสําหรับบูชาและน้ําดื่มอันสมควรแก่สมณะขพเจ้านุ่งห่มอย่างที่นึกว่าเรียบร้อยแต่ไม่ลึงเปลื้องถ้าพวกศีรษะออก บัญจงกล้าวผมให้รัดกุมเพราะเคยได้รับทราบว่าการพวกศรีรษะไปฟังธรรมเป็นการแสดงความไม่เคารพเมื่อเสร็จแล้วก็ชวนคนใช้ออกเดินร่วมไปกับมหาชนเหล่านั้นโดยเหตุที่ระยะทางไม่ไกลนักข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปด้วยยานครนั้นถึงเชตวานารามแล้วก็ตรงไปยังธรรมสภาให้คนใช้ จัดน้ำปานะถวายพิสุสงส่วนข้าพเจ้าไปนั่งทางมุมสุดข้างหนึ่งด้วยประสงค์จะเลี่ยงไม่ให้ใครมองเห็นมากนักอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกจึงอยากจะอยู่ห่าง ดูระเบียบวิธีของผู้อื่นและข้อสำคัญข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเพราะท่านไปบินทบาต ท, ทางเมืองสาวัตถีผ่านประสาทนั้นเสมอคงจำข้าพเจ้าได้ดีเกรงว่าถ้าทรงทักทายขึ้นใครใครก็พากันมองข้าพเจ้าเป็นตาเดียวซึ่งคงทำให้รู้สึกอึอดอัดไม่น้อย พอเวลาอันสมควรพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้ามาทางประตูด้านตะวันออกมีพระอานนท์และพิสุิ์อีกหลายรูปตามเสด็จด้วยหมู่ชนทั้งหมดในที่นั้นได้ถวายนามั ส, สการซึ่งข้าพเจ้าก็ทำตามอย่างข้าพเจ้าตั้งใจฟังพระธรร ม, มเทศนาของพระองค์แต่ต้นจนจบด้วยความเลื่อมใส ย, ยิ่ง พระองค์เริ่มด้วยการกล่าวถึงประวัติแห่งศักยะวงศ์และโกรยยะวงศ์อันสืบสายมาแต่พระเจ้าโอกากะราชมีบุคคลสืบสันตติวงศ์ลำดับกษัตริย์ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เหลือที่จะนับได้กษัตริย์เหล่านั้นแม้จะมีทรัพย์สมบัติและอิสริยยศ ย, ยิ่งกว่าประชาชนแต่ก็ต้องละทิ้งร่างกายไว้ให้เปื่อยเน่าละทิ้งทรัพย์สมบัติยศศักดิ์อันเป็นที่รักยิ่ง ทั้งที่ยังอยู่ครองสมบัติเหล่านั้นไม่ทันอิ่มเต็มปรารถนามฤริตยูยอันครอบงำชีวิตสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ละเว้นเลือกหน้าผู้ใดเลยเพราะฉะนั้นสมบัติทางศักยวงศ์อันสืบมาจนถึงบิดาตถาคตและในที่สุดจะตกถึงแก่ตถาคตนี้จึงชื่อว่าเคยมีผู้ครอบครองมาแล้วไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่ ทั้งผู้ครอบครองเหล่านั้นเมื่อตกอยู่ในอำนาจมริตายุย่อมไม่สามารถนำสมบัติอะไรไปด้วยได้มากว่าจะเป็นผ้านุ่งหรือผ้าห่มสักผืนหนึ่งถ้าตถาคตอยู่ครองสมบัติในวาระที่มาถึงนั้นความเป็นไปอันซ้ำกับพระราชาองค์ก่อนๆ ก, ก็จะผ่านซ้ำๆมาอีกเช่นเดียวกันเพราะปารเุเพตนี้ตถาคตจึงสแสวงหาหนทางอันนำมาซึ่งสุขที่สูงกว่า ปราณีกว่าความสุขอันตั้งอยู่เนื้อความไม่เที่ยงแท้แปรปรวนนั้น คุณผู้ฟังคะคราวหน้ามาอ่านต่อแล้วกันนะคะเพราะว่าเหลืออีกประมาณสองหน้าครึ่งถ้าอ่านไปเนี่ยเดี๋ยวพอดีจบพอดีเวลาตอนตีห้าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะรีบรีๆเร่งๆ เ, เดี๋ยวฟังตกๆหลนๆมีเวลาฟังเพลงบันเลงเพราะๆดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้นะคะที่หน้าห้าสิบสองบทที่ห้าเด็กหนุ่มแห่งตระกูลเศรษฐีที่เขาเล่าถึงประวัติของตนเองให้กับ พระองคุลิมานฟังนะคะก่อนที่จะจากกันไปทิ้งท้ายที่เนื้อติดกระดูกของอาจารย์สเสถียรพงศ์วรรณปกค่ะเป็นนิทานเซนเรื่องสั้นๆนะคะชื่อเรื่องว่าอุปมา พรุทธเจ้าตรัสอุปมาไว้ในสูตรสูตรหนึ่งว่าชายคนหนึ่งเดินทางไปเจอเสือเสือไล่หนีเสือไปถึงหนาผาแห่งหนึ่งจึงโหนถาวันลงไปข้างล่างเสือตัวนั้นก็คอยตะปบอยู่ข้างบนมองลงไปข้างล่างเห็นเสืออีกตัวกําลังรอกินอยู่เขาเลยโหนถาวันอยู่อย่างนั้นด้วยความกลัวตัวสั่นขณะนั้นก็มีหนูสองตัวตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งดําคอยกับเถาวันทีละเล็กทีละน้อยเขารู้สึกหิวขึ้นมา มือหนึ่งโหนถาวันอีกมือหนึ่งก็คว้าผลไม้ที่มีอยู่ข้างๆกินมันช่างอริดอร่อยอะไรเช่นนั้นก็จบเป็นข้อคิดแล้วกันนะคะว่าคิดได้หลายแบบละเกินนะคะก็เป็นหนังสือที่อาจารย์เสถียรพงษ์ท่านแปลมาแล้วก็ทิ้งไว้ที่หนึ่งนาทีเพื่อชีวิต ข้อคิดสั้นๆนจากพระธรรมกิติวงศ์เป็นหนังสือที่หาหาได้ตามชั้นหนังสือก็ยังมีขายอยู่นะคะความเสื่อมของสามีความซื่อสัตย์ต่อกันเป็นหัวใจของสามีภรรยาสามีที่แม้จะบกพร่องในหน้าที่อื่นบ้าง แต่รักษ า, าความซื่อสัตย์ต่อภรรยาไว้ได้ไม่นอกใจไม่มักมากในการมาคุณกับหญิงอื่นจัดว่าเป็นสามีที่ดีได้และสามารถทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขที่เขาอยู่กันเป็นสุขจนแก่เท่าก็เพราะมีความซื่อสัตย์นี่เองที่เป็นโซ่ทองคล้องรักและคล้องใจของกันและกันไว้ตลอดมานะคะก็ เป็นข้อคิดของชีวิตคู่ละกันนะคะวันนี้ที่ฉันอัญชีษาลิกิตที่รุ่งเรืองพร้อมกับคุณสชัชทรนกวังค้ า, าิลกผู้ที่นำเลลพลงบันเลงเพ ล, พ ล, พ ล, พล่อมมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังในรายการส่วนอักษรต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ทุกวันเลยวันพฤหัส บ, บดีกลับมากับหนังสือพระเจ้าสุโธธนะนอกจากจะอาศัยข้อความในพระไตรปิฎกอัฐ ก, กถาแล้ว ในตอนถวายพระเพลิงพระศพได้อาศัยเขาความในหนังสือปฐมสมโพธิภาษาไทยฉบับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นแนวด้วยอีกตอนหนึ่งท่านอาจารย์เขียนไว้ในบทปฐมพจนว่านาวะวินัยเรื่องนี้อิงประวัติพระอรหันตเจ้าสามพระองค์คือพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมี พระมารดาเลี้ยงแห่งสมเด็จพระตถาคตเจ้าหนึ่งพระนันทากับพระนางรูปนันทาอีกสองพระองค์ผู้เป็นโอรสและพระธิดาแห่งพระเจ้าสุโธธนะมหาราชและพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีแต่ก็เกี่ยวยงไปถึงพระอรหันต์เจ้าพระองค์อื่นๆรวมทั้งสากยราช่างพระองค์ตามสมควร จากข้อความทั้งสามตอนที่อ้างมานี้ทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องอื่นที่ท่านอาจารย์ได้เรียบเรียงมาแล้วเช่นเชิงถาหินมาพานหรืออาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกกับเรื่องนันทาประชาบดีคือเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ผู้เรียบเรียงมีอิสระในการวางโครงเรื่องให้เป็นไปตามจินตนาการที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อใหธรรมะเดินได้โดยไม่มีกรอบหรือขอบเขตใดๆมาบังคับส่วนเรื่องนันทาประชาบดี เป็นนวนิยายประเภทอิงประวัติศาสตร์คือท่านอาจารย์มุ่งนำประวัติจริงของพระอรหรันต์เจ้าทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นเชื้อพระวง์ระดับสูงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาเลี้ยงพระพุทธอนิชาเป็นต้นที่ได้ระบุพระนามมาแล้วในคำนำที่อ้างถึงมาเผยแผ่ ท่านเหล่านี้ได้มีประวัติจารึกไว้ในอาคาตะสถานต่างๆคือพระไตรปิฎกบ้างอัฏะกะถาบ้างและแม้แต่ในตำราชั้นหลังเช่นปฐมสมโพทธทิเป็นต้นการค้นคว้าพระประวัติโดยละเอียดจากอาคาตะสถานต่างๆที่อ้างถึง คงไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนหรือยากลําบากสําหรับท่านอาจารย์ซึ่งท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกและตํำรับตําราที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึงอยู่แล้วและคงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับท่านอาจารย์หากจะนําพระประวัติเหล่านั้นมาเขียนในเชิงสารคดีหรือประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีอยู่ในตํำรับตําราด่าดิลแล้วแต่ความยากน่าจะอยู่ตรงที่ว่าการจะนําเอาชีวิตของบุคคลในประวัติศาสตร์เมื่อ2500ันห้ร้อปีเศษ มาเขียนในรูปนวนิยายเพื่อให้นวนิยายเป็นยานขนถ่ายธรรมะจากตำราไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงระยะการผ่านไปถึง 2,500 ปีเศษได้กลืนสภาพทางภูมิศาสตร์แห่งกรุงกรรวิลพัทที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้จางหายไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือและการเวลา ย, ยังกลืนสภาพสังคมในยุคนั้นให้เลือนหายไปพร้อมๆกันด้วย การเขียนนวนิยายโดยเฉพาะประเภทที่อิงประวัติศาสตร์ดังกล่าวสภาพทางภูมิศาสตร์นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การสร้างฉากได้เห็นสมจริงยิ่งขึ้นสภาพสังคมในยุคนั้นๆก็นับว่าสำคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในเรื่องให้สมเหตุผลยิ่งขึ้นด้วยท่านอาจารย์เรียบเรียงเรื่องนันทบประชาบดีในขณะที่สิ่งเหล่านั้นได้เลือนหายไปสิ้นแล้วในส่วนที่เป็นรูปธรรม คงยังมีหลงเหลืออยู่ในตำรับตำราบ้างก็มีอย่างกระท่อนกระแท่นและสิ่งที่ไม่มีอยู่เลยแม้ในที่ไหนไหนก็คืออารมณ์หรือความรู้สึกที่จะโน้มน้าวให้ผู้อ่านได้เกิดอารมณ์ร่วมด้วยสิ่งเหล่านี้ท่านผู้เรียบเรียงจะต้องใช้จินตนาการทั้งในด้านกว้างและด้านลึก เพื่อสร้างสิ่งขาดหายไปให้มาปรากฏอีกครั้งหนึง่งเพื่อเป็นการกรุยทางให้ธรรมะเดินได้โดยสะดวกดังคำตอนหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ในคำนำที่อ้างมาแล้วในตอนต้นว่าในการเขียนเรื่องนี้แม้จะมีบุคคลสมมุติเข้ามาปะปนบ้างแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเทระพระเทรีเป็นเรื่องที่มีตำนานปรากฏอยู่ ก็แสดงว่าการเขียนเรื่องนี้มีทั้งเรื่องสมมุติกับเรื่องจริงเชื่อมกันได้อย่างกลมกลืนยิ่งบุคคลที่ปรากฏในประวัติศาสตร์เป็นบุคคลในระดับเชื่อพระวงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นพระอาหารหันต์ขีณาศพทุกพระองค์ก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังในความผิดพลาดมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นในจุดนี้ก็เป็นได้ที่ท่านอาจารย์กล่าวแก่พวกเราว่านันทะประชาบดีต้องใช้จินตนาการมากเป็นพิเศษกว่าเล่มอื่นเรื่องนันทะประชาบดีแม้จะเป็นเรื่องที่เขียนได้จบลงด้วยความยากลำบากแต่ท่านอาจารย์ก็ได้ใช้ความวิริยะอันแรงกล้าเขียนจบลงด้วยดีดังที่เห็นอยู่แล้ว ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งใจไว้ทุกประการดังความตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ในคำนำว่าผู้เขียนได้รับทราบว่าบางท่านอ่านเรื่องนี้แล้วกลั้นน้ำตาไว้มิใครได้ด้วยความรู้สึกในคุณงามความดีแห่งพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายพระองค์นั้นรวมทั้งพระประวัติบางตอนอันควรเป็นที่ตั้งเห่งความสังเวชสลดจิต มองในแง่หนึ่งเราย่อมเห็นร่วมกันว่าคุณงามความดีเป็นของไม่ตายแม้ท่านเหล่านั้นจะนิพานล่วงลับไปแล้วหลายพันปีแต่พระประวัติอันน่าสนใจยังคงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของผู้เขียนและผู้อ่านมิรู้ร่วงโรยไปตามพระรูปกาย ท่านอาจารย์แม้จะได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในการเขียนเรื่องนันทาประชาบดีดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ได้ความคารวะอันสูงสุดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีนาศบในเครือพระประยุรญาตแห่งพระพุทธองค์เกรงจะมีสิ่งใดผิดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการท่านจึงกล่าวขอเข้ามาไวในบทปฐมพจน์อีกตอนหนึ่ง ข้อความใดที่กล่าวถึงพระอาหารหันต์เจ้าทั้งสามพระองค์นั้นแม้จะได้พยายามระมัดระวังให้ใกล้เคียงกับพระประวัติซึ่งปรากฏในคำภีพระพุทธศาสนาแต่ก็อาจมีบ้างที่กล่าวไปด้วยการสันนิษฐานผิดเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการข้อความนั้นตลอดจนความไม่ดีไม่งามใดๆไม่ว่ามากหรือเพียงเล็กน้อยจงเป็นความผิดความบกพร่องของผู้เขียนแต่ผู้เดียว ผู้เขียนขอกราบนมัสการขอประธานอาภัยพระอาหารหันต์สาวกสาวิกาทั้งสามพระองค์นั้นไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าจะมีความดีอันใดซึ่งเกิดจากการเขียนเรื่องนี้แม้เพียงเท่าปลายก้อยความดีทั้งหมดนั้นจงเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องสักการะบูชาของคนยากเป็นดอกย้าซึ่งไร้กลิ่นแต่ไม่ไร้แรงใจของคนผู้หนึ่งซึ่งจบดอกย้านั้น เนือเสียงกล้าวบูชาพระคุณอันประเสริฐแห่งพระอระหันต์ผู้เป็นพระมารดาพระโอรสและพระธิดาทั้งสามพระองค์นั้นผู้แม้จะปรินิพานนานมาแล้วแต่ก็ยังแผ่พระคุณมาหล่อเลี้ยงศรัทธาภาสาทักของผู้ใกล้ทำทั้งหลายไม่ได้จืดจางเพื่อให้เห็นการใช้จินตนาการผสมผสานกับเรื่องที่ปรากฏในประวัติศาสตร์อย่างกลมกลืนขอยกข้อความบางตอน ในนันทปชาบดีบทที่เก้าหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสามในหัวเรื่องว่าสมหวังและผิดหวังพอเป็นตัวอย่างแต่เพื่อให้สะดวกในการเชื่อมความจึงขอเท้าความเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยหลังจากที่เจ้าชายสิกธถะเสด็จจากกรุงสำมพัพัฒน์เแสวงหาโพธิญาณจนบรรลุสัจธรรมแล้วได้เผยแผ่พระธรรมที่ทรงค้นพบไปตามคามานิคมชนบทราชธานีต่าง จนมีผู้เลื่อมใสฟังพระธรรมเทศนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขีณาศพถวายตัวเป็นพุทธสาวกเป็นจำนวนมากความทราบถึงพระเจ้าสุดโทธนะพระพุทธบิดาแห่งกรุงกบิลพัทใคร่จะให้พระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระปิโยรสเสด็จมาโปรดกรุงกบิลพั์บ้างจึงส่งทูตไปทูลเชิญพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิสุสงพุทธสาวกทั้งหมด ส่งทูตไปครั้งไรก็ไม่ได้ผลซ้ำทูตที่ส่งไปเกิดเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาและขอบวชถวายอุระแด่พระศาสนาเป็นส่วนใหญ่แต่ผลสุดท้ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จสู่กรุงกบิลพัทเพื่อประวดพระประยุร ญ, ญ, ญาตตามคำทูลเชิญของพระเจ้าสุโธธนะในโอกาสเดียวกันทางราชสานักแห่งกรุงกบิลพัท ได้กำหนดงานฉลองขึ้นพระตำหนักใหม่พร้อมจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายนันทักกับเจ้าหญิงสักยะผู้เป็นชนบทกัลยาณีในวันที่สามหลังจากเสด็จถึงกรุงกบิลพัทแล้วด้วยเมื่อถึงวันนั้นการเตรียมงานได้กระทำกันอย่างดียิ่งเพื่อจะได้มีการถวายพระตาหารแด่สมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมพระภิสุสงผู้ตามเสด็จ เพื่อฉลองงานขึ้นพระตำหนักใหม่และพิธีอาพิเศษสมรสด้วยท่านอาจารย์ได้ใช้จินตนาการสร้างบรรยากาศให้กับงานในวันนั้นอย่างละเอียดรอบคอบและวิจิตบัรจงเสมือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งในกรุงกบินลพัทขอยกข้อความบางตอนมาเพื่อพิจารณาดังนี้ตั้งแต่เวลาเช้าตรู่จนกระทั่งสายเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเป็นพระประยุรญาต พ่อค้าคฤรบดีพราหมณ์มหาศาลและปุโรหิตรวมทั้งมหาอมาตอ์อมาต ร, ราชบริพานต่างขึ้นยานบ้างเดินบ้างสู่พระตำหนักใหม่ของเจ้าชัยนันทะ a ประหนึ่งว่าพระตำหนักนั้นเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งน้ําซึ่งกระแสทานจากทุกทิศ ท, ทุกทางจะไหลลงไปรวมกันฉะนั้นบริเวณแห่งพระตำหนักอาจจะมองดูว่ากว้างขวางอย่างเหลือเกินในวันอื่น แต่ในวันนี้เนืองแน่นด้วยบุคคลจากชั้นวันน้าต่างๆจนล้นหลามพระนางเจ้ามาหาประชาบดีทรงปลื้มปิติจนพระอสุชนกรอพระเนตรที่งานสำคัญยิ่งในพระชนชีแผงโอรสของพระนางมีผู้ไปชุมนุมมากมายเช่นนั้นไม้ชัยพฤกซึ่งจัดปลูกไว้ข้ามปีจำนวนสิบสิบต้นกำลังเจริญงอกงามมีดอกเป็นทวงเหลืองยาวคล้ายจะร่วม ฉลองในเคหะปะเวสนามงคลของเจ้าชายครั้งนี้เมื่อลมตอนเช้ารำเพยพัดก็แกว่งกวกิ่งใบและพวงดอกประหนึ่งชี้ชวนให้คนทั้งหลายทราบว่าแม้พฤกษชาติก็พลอยยินดีถวายชัยแด่เจ้าชายผู้น่ารักพระองค์นี้ด้วยวงดุนยางประจําราชสํานักบรรเลงเพลงขึ้นพร้อมกันกับเสียงเป่าสังแกว่งบันเทาะ เมื่อพระราชาเสด็จไปถึงทุกคนยืนขึ้นถวายบังคมและอดสังเกตไม่ได้ว่าทรงมีพระพักสดชื่นยิ้มแย้มไม่เคร่งขรึมเหมือนสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จจากไปพระราชาเสด็จผ่านกลุ่มอำมาตย์ราชบริพารและผู้มาในงานแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักต่อมาไม่ช้าก็มีราชบุรุษหลายคนเดินเป็นระเบียบเข้ามาสู่บริเวณเสียงเป่าสังแขวงบรนเทาะ และประโคมดุรยายังดังขึ้นอีกสมเด็จพระบ ร, รมศาสดากำลังเสด็จมาพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ทุกคนยืนขึ้นถวายบังคมอีกทั้งในฐานะพระราชโอรสผู้มีสิทธทิสมบูรณ์ในราชบัลลังก์และในฐานะที่ทรงเป็นพระศาสดาแห่งโลกนี่คือความตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์บัญจงสร้างบรรยากาศในงานอันทรงเกียรติในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ยิ่งกว่านั้นในด้านการสร้างความรู้สึกให้กับตัวละครในเรื่องท่านอาจารย์สร้างไว้อย่างกลมกลืนสมเหตุผลดังความตอนหนึ่งที่เสด็จจากเสร็จพระราชพิธีในงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายนันทากับพระนางชนบทกัลยาณีเจ้าชายนันทะไปส่งเสด็จพระพุทธองค์ถึงนิคโครทารามโดยถือบาทตามไปได้วยความเกรงพระไทยในพระเชษฐาธิราช เมื่อพระพุทธองค์ถามว่าเธอจะบวชหรือเจ้าชายนันทะรับคำว่าพระเจ้าค่ะทั้งทั้งที่ไม่มีความคิดจะบวชเลยแม้แต่นิดข่าวการบวชของพระนันทะยังความโศกเศร้าเสียใจให้พระนางชนบทกัลยาณีอย่างสุดซึ้งหาที่เปลี่ยบไม่ได้ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้ว่าเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีทรงพระกันแสงปิ่ว่าพระชนชีพจะขาดสิ้นไป ในเมื่อทรงระลึกว่าเมื่อเช้านี้แท้ๆพระราชายังทรงหลังน้ําอภิเสกพระราชทานในถ้ำกลางพระประยุรญาติแต่บัดนี้พระนางได้กลายเป็นไม้ไปแล้วเพราะพระสวามีเสด็จออกผนวดต่อไปจะทรงมองหน้าใครได้เขาจะไม่เล่าลือไปทั่วพระนครหรือว่าเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีคงมีข้อบกพร่องอะไรเป็นแท้พระสวามีจึงทรงทอดทิ้ง ทั้งที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันทรงสงสัยเหลือเกินว่าเจ้าชายจะไม่ได้ทรงผนวดด้วยความเต็มพระหฤทัยแต่จะทำอย่างไรเล่าเจ้าหญิงทรงว้าวุ่นและหาทางออกไม่ได้เลยนอกจากอย่างเดียวคือปรุงพระชนชีพระองค์เองแต่เมื่อนึกถึงเรื่องนั้นก็ดูหวาดหวั่นพรั่นพึงเสียนี่กะไรหมดความคิดอย่างอื่นแล้วหรือจึงจะคิดทำลายพระองค์เองพระนาง เจ้าประชามาดีโคตมีเสด็จถึงพระตำหนักในขณะที่เจ้าหญิงซบพระพักหลงกับพระขนยสะอื้นให้พระนางเจ้ารีประทับนั่งเคียงพระสุนิสาประคองกอดด้วยความรักและสงสารโดยไม่เปล่งพระวาจาใดๆเลยเจ้าหญิงชนบทกาลยาณีเห็นพระนางเจ้ามาประทับเช่นนั้นก็ปล่อยเสียงกันแสงออกมาโฮใหญ่ โดยไม่ประสงค์จะปกปิดความเศร้ากำรรสดให้อัดอั้นไว้ต่อไปอีก